1. มุสาวาดวัช 8. ปูตาโรจนะสิกขาบทว่าได้การบอกอุตริมนุษธรรมที่มีจริงเรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา 67. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกุตาคาระสาลาป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมา จำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ําวักคุมุธาคราวนั้นแคว้นวัดชีเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แรนแ้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกระเขาเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้ภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดว่าบัดนี้แคว้นวัดชีเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แรนแ้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหาร ล้มตายกันกระดูขาวเกลือนยากที่พระอริยะจะบิณทบาตอย่างชีพได้ทำอย่างไรหนอพวกเราจึงจะพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาอย่างพาสุกและบินทบาตไม่ลำบากพิกษุบังพวกเสนอว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเรามาช่วยกันทำงานของพวกครือัดเมื่อช่วยทำงาน พวกเขาก็คงพอใจถวายบิณฑบาตแก่พวกเราโดยวิธีนี้แหละพวกเราก็จะพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จำพรรษาอย่างพาสุกและบิณฑบาตไม่ลำบากภิกษุอีกพวกเสนอว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายทำไมพวกเราจะต้องไปช่วยกันทำงานของพวกครือขัสขอให้พวกเรามาช่วยกันทาหน้าที่ทูดนำข่าวสารให้พวกครือัดจะดีกว่าเมื่อทาอย่างนี้ พวกครือขัดก็คงจะพอใจถวายบิณฑบาตแก่พวกเราโดยวิธีนี้แหละพวกเราก็จะพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาอย่างพาสุกและบิณฑบาตไม่ลําบากภิกษุอีกพวกเสนอว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายทําไมพวกเราจะต้องไปช่วยกันทํางานหรือทําหน้าที่ทูตนําข่าวสารให้พวกเครือขัดทางที่ดีพวกเรามากล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกเครือขัดฟังว่า ภิกษุรูปโน้นได้ปทมฌานรูปโน้นได้ทุติยฌานรูปโน้นได้ตติยฌานรูปโน้นได้จตุตฌานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็นพระสกทาคามีรูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโน้นเป็นพระอรหันต์รูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหเมื่อพูดอย่างนี้พวกเครหัดก็คงจะพอใจถวายบิณฑบาตแก่พวกเราโดยวิธีนี้พวกเราจะพร้อมเพียงกัน ร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จำพรรษาอย่างพาสุขและบินทบาทไม่ลำบากในที่สุดภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดตกลงกันว่าท่านทั้งหลายวิธีที่พวกเราพากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกเครอหอขัดฟังเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีอื่นต่อมาภิกษุเหล่านั้นได้พากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกเครอหอขัดฟังว่า ภิกษุรูปโนนได้ปทมชันรูปโนนได้จตุจชันรูปโนนเป็นพระโสดาบันรูปโนนได้อภิญญาหกครั้งนั้นแหลประชาชนก็พากันยินดีว่าเป็นลาบของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอที่มีภิกษุทั้งหลายเช่นนี้มาอยู่จำพรรษาเพราะแต่ก่อนนี้พวกเราไม่มีภิกษุทั้งหลายที่มีคุณสมบัติ เหมือนอย่างภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้มาจาพรรษาเลยโพชนะวงเล็บอาหารขาธิยะาวงเล็บของเคี้ยวสาญิยะวงเล็บของลิ้มปานะวงเล็บเครื่องดื่มชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่รับประทานไม่ขบเคี้ยวไม่ลิ้มไม่ดื่มด้วยตนเองทั้งไม่ให้แก่มารดาบิดาบุตรพระยาคนรับใช้กรรมกรมิตร อามาตญาติสาโลหิตภิกษุเหล่านั้นจึงเป็นผู้มีน้ำมีนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีใบหน้าเอิบอิ่มมีผิวพันผุดผ่อง 68. มีประเพณีอยู่ว่าเมื่อพิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้วจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นภิกษุเหล่านั้นจะบรรษาครบสามเดือนแล้วจึงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวร อ, ออกเดินทางมุ่งไปสู่กรุงเวสาลี จาริกไปโดยลำดับถึงกรุงเวสาลีผ่านป่ามหาวันไปถึงกูตาค า, าราสาลาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจึงถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควร